เขียนอ่านคนเดียวเขียนงก็ ไ, ได้มันฉลาดแล้วเป็นได้แต่าา ก, ก่อนนั่งนก็ต้องอเะอะนัะ่นแหลดีวก็ต่อไปนั่งสมาธิด้วยแล้วไม่ต้องอะไรมันมากมายหรอกอยาให้จิตมันฟุ้งซ่านลำคาลนะ น, นั่งให้มันสงบต่อไปนั่งกี่ไร่มันกีดีดมันหลายอยู่นั่นมันจะสงบแล้วแล้วเดด ช่างให้สงบง่ายที่สุดจริงเลยช่างมันมันตจะง่ายหรอกมันมีเหตุมีผลเนี่ยใครมันง่ายที่สุดอือกินข้าวให้มันอิ่มง่ายที่สุดจะทําไงเอาคําเดียวมันจะอิม่มเหรอไอ้คนเรามันพูดอย่างนั้นแหละอยากได้เร็วๆอันจะมามันบวชจนจะตายกับพุทธศาสนาแตมันยังไม่ค่อยสงบเลยไอ้โยมจะไปนั่งเอาเวลาเดียวมันสงบย่ังไงแล้วการยังไง คนมันอยากได้หลายยัางนั่นแหละเปนั่งมันก็วุ่นวายแต่เน่มีแต่นั่งมันมีความตะงงเรามีแต่วุ่นวายทั้งนั้นแหละ อ, อะไรไข่ไม่ไปสองครั้งไปครั้งไปสองเดือ น, นอยู่นา น, นะถวายอะไรโอ๊ยมันก็ถวายนั่นแหละ ไม่ถวายจะทำยังไงจะไปทั้นชั mm, ้นที่ไหนล่ะก็มาก็สนใจสนใจไมศาสนาสนใจนี่กำลังจะสนใจเขาพึ่งกำลังเขาไปวัดก็ไม่ต้องไปคุยอะไรเรื่องืีนหรอก ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบท่านนั่นเลยเงียบท่านั้นแหละไม่เหมือนคนไทยเราหรอกขายปอกเอาเดือยปอไปพูดกันทำไร่อเอาเดือยไร่ไปพูดกันอะไรเอไปพูดกันตรงนั้นแหละหาเวลาที่จะทำจิตเป็นสงบไม่มีเดี๋อยากเจริเร็วที่สุดไปศีวัตก็ไปคุยกันโน่นนี่กักลับละท่านนั้นเนี่ยเมื่อเราไปวัด ในความจริงๆมัน ไ, ไม่ได้หาเรื่องพุทธศาสนาไปในใจของเราเลยเขาเข้าไปวัดเขาเป็นนั่งมีบอกเขาปนั่งเงียบเลยไม่มีใครพูดทําจิตให้มันสงบ<ม>เราก็ไปคุยกันอนนโน่ น, นนี่เล ย, ยไปสระสางกันตรงวัดนั่นเนี่ยนานไปแล้วมาก็กินเลี้ยงกันทีดีดีตรองแย้พวกข้นอกเขาไม่สนใจเราเอางนั่นเ้าไม่สนใจ อย่างพุดธคัพที่ทำมาเฟ่ในความเป็นจริงเมืองเขาจริงก็ไม่สนใจหรอกจะไปเรียนจะไปสอนจะไปกินเรื่องจะไปอะไรกันก็ไม่สนใจเขาสนใ จ, านใจหาควาสมสงบไปเขาตรงนั่งโดยมากอืมประเทศเขาก็ไม่เข้าไปวัดอย่างนั้นมีแต่พวกคนไทยหรอกไปอืลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสืออยู่ทั้งโนดพอ่อแม่ก็ไปเยี่ยม อืมเราไปวัดหาาหารมาทานการคุยกันสนุกสนานแก็กลับมามไม่เห็นว่าใครจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นอาจจะมาไปดูแหละตอนใครจะไปนั่งสมาธิไม่ไม่ไม่เห็นอืนี่จะคุยกันไปเรื่องอื่นเท่านั้นเนะี่ยเท่านั้นแหละจะได้เรื่องอะไรพวาไปกินเขาไม่ชอบอย่างเงินหรอกเ้าค้นควอาหาศาสนาษจริงๆถ้าว่าคนไทยนี่ มีศาสนาแต็ไม่รู้ศาสนาแต่เล่นไปเรื่องอื่เป็นที่เคยคำว่าต้องนั่งกันใบก็ต้องไปนั่งกันไปผิดนั่งไอ้มันสงบอมไม่มีคนคนหนึ่งชื่อสุธรรมมาไปอยู่สหรัฐอยู่ในถนนเพลินจิตเนี่ยไปแอบอยู่กับเขาอาจจะมาไปสอนพวกนั่นอยู่นิสสุสิต พอครั้งหลังเขาไปเต้นจุธามานั่นมจะเป็นชาวคริสต์เลยเนาะเขาทาอะไรกันเนาะก็เลยไดป ด, ดูดูจากภาษาไทยเรานี่นะชาวบ้านเรานี่ยแต่ ม, ตมาเขาไปเทียบในกรรมฐ า, านนี่างนี้นมันหนึ่งเขาได้พานกับหลวงพอ่อทําำใงนี่ที่กรุงเทพเรามีห ม, มดูจริไม่รู้จักว่าเขาทําสมาธิที่ตรงไหน เห็นเมืองนอกทําไม่รู้จักว่าที่เมืองไทยเรามีไหมเป็นคนอดอยากอาจจะป่วยแดงไอ้ข้างเดี๋ยวไปป่วยไอ้สักสองสามกันอืมแสดงว่าไม่เคยเข้าไปวัดไม่เคยรู้จักการะทําอย่างนี้คือไปทำอย่างนั้นเดือนนันประมาณเก้าวันเ่ยมันทําจิตใจให้สงบมันมี้ต้อโรู้กันหลายอย่างชื่อสุธรรมานุจะกลับมาแล้วน่ะ อยู่ถนนเพืินิว่าเมืม่อนูไปแด้วนูจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่วัดยังไหวเห็นมาหลายคนคนมือนมาปีนะัไปไไดีนไปทำมันโดยไปได้ศาส น, นามาเต็มวงนอกโดยไปเข้าใจมาเต็มวงนอกมมเ ม, เมอกเืองไทยเดานี้ไม่เข้าใจเลย พระกับพระโยมพยมจะอยู่อย่างนั้นคนด่เรื่องดราเราไม่รู้เรื่องกันบางคนแต่ไปทั้งนูนมันวาวเวนี่ไม่มีใครมองดูเมืองเขาคนแก่ก็เป็นฝรั่งคนหนุ่มก็เป็นฝรั่งเด็กมันก็เป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งกันถ้าไปหมดน่ะไม่มีคนไทยเหล่าเมื่อเห็นคนไทยไปยังอจะมาไปเอมันมามาหาเหมือนไปอยู่บ้านเดียวกันเนอืมรู้จักกันหมดทุกคน มีลูกมีตานคนส่งตัวมาถวายเอาถวายคนไม่มีลูกลูก <c oughs> <c oughs> เอามาถวายง่ายหลายคนเมื่อบานก็ยังมาทวงอีกวันพอจาก็มาทวง <c oughs> ไม่ค่อยอะไรกันโดยมากพวกคนไทยลว้วพวกนักศึกษาไปรู้สึกอย่นี้ไปรู้สึกนทะรับไหนคัพุทธเรา ยังยังเข้าไปพวกนี้มันมาหลายนะี่ตกใจมันมากันยังไงเนอกนะในประสรวนวิธีทำฝรั่งเขาก็ทำก็ครับแต่คนไทยไมันรูจับตามเนั่องในอะไรมันรอดื้องได้คิดหลายหายอย่างเลยเพื่เพิ่งกลับวกมาดูศาสนาของเราแน่นอนถ้าไปห้าข้าก่อนเดยวไป ไปเรื่องอื่นในเรื่องอื่นไม่ใชอย่างนั้นใช่ไปหาของดีกันหาพระหาประตูหาเสน่แ์ละรวยหาอะไรหุ่นห่วยอตาตมาไม่อยากจะได้ยินของอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วไปกันอย่งงาง น, นั้นมดได้เพิ่น ไปกันอย่างนี้แล้วมันก็ไมดูเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงถ้าบ้านเรามีศาสนามันจะวุ่นวายกันอย่างนี้เลืมันไปจับจะเอาแต่สิ่งอื่นมาทำกันซะสิ่งที่เราชอบใจอย่างอื่นเอกความที่ดียวเป็นชิ้นธรรมเนี่ยที่เป็นศาสนาที่จะกุ้งกรองนั้นนะมันไม่มีมันไ่มีเอะ อะไรเออยังมีโยมก็ยังมมาเนะาย์ขาก็เหว่าเราสมมุติเขาบอกว่าเขาเปิไม่ใจร้ายไม่วุ่นวายแล้วนะคะแ้วกสุดศาสนาปฏิบัติธรรมกันหมดแล้วนะเออมองดูประเทศไต้หวนเขาจะมาทาให้เราเพิ่มากขึ้นอืมกวามเปน่เขาจะได้ประเทศเราอยากจะได้อะไรมันมันมันกว่าไปเน่อันนั้นมันคนอื่นเขามาทาเรา จา ก, กันก็ไม่ได้หรอกเพรนั้นน่ะมันเรื่องของคนงอือ่นเรากองไม่ได้เรากครมันไม่ได้แต่ว่าถ้าถศาสนาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะปกป้องเราการเรา ไ, ไมปกป้องตัวพวเรานี่แหละไม่ปกป้องอื่นไกลแล้วปกป้องประเทศเราได้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่แ น, น่นะพออระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ยังจะฆ่านี่นี่น ดูที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเรนี่ดูที่เขาจะตามข้าเหมือนกันเน่ยมันเป็นเรื่องของงานโลกถ้าเกิดมาในโลกมันมีภัยวิบัติทั้งนั้น่ะโยมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเน่ยมันไม่พ้นจากทุกข์ในความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันอยู่ในโลกนี้เกิดมามันช้ามันนานกลุ่มชนทั้งหลายแล้วนั่นถือระทิอันใดน่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะคุกค้นอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันมันยากมันอยู่ในกลุ่มนี้อื มันก็เป็นไปสมมติวัดของเราเราก็อยากจะเก็บเอาไว้นะคะเป็นมรดกวัดนะ<แ>เขาก็มาลุกล้ำอยู่ด้ว่อยเลยก็จะทำไยก็ป้องกันไว้ป้องกันไม่ไว้ก็ให้เหมือนกันนั้นเนี่ยมันเอาวัดไปมันก็ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้โลกมันเรื่องของโลกเรื่องศาสนาก็มาตั้งอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่จะไปป้องกันอันนั้นจะ เกินขอบเขตไปซึ่งคราวขึ้นสมัยมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปของมันอย่างนั้นเออไปกันมันไม่ได้อย่างแน่นอนหรอกท่านจึงบอกไอ้มันไม่เที่ยงสริงทั้งหลายแล้วนี่มันไม่เที่ยงแต่ว่าเมื่อเรายังทรงอยู่นะแล้วก็มีความสุขสบายกันอบอ้อมอารีภายในประเทศของเราทั้งหลายอล่าเนี้อืมนะถ้าเราไม่มีศีลธรรมก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ รู้เรื่อขาวว่าคนาบม่อหน่อยว่พาพศาสนาจะไปจอเลยที่สุดที่ปักีอื ม, ม, มนนี่ก็เขาว่าเขาว่า <c oughs> <ม> <c oughs> ไอ้ที่คนไม่รู้มาพูดกา <c oughs> นี้อาจารย์นตอนนี้ชื่ประเทศีไห้ถึงาศาสนาแล้วบางไยเนี่ยนบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เร่ามันหมดชื้ออะไรมันแย่มันก็ดีขึ้นมาได้เหมือนกัน ในความมีกินพุทธศาสนาประชาชนนับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นะมันไม่ถึงหลักของพุทธศาสนานะเอออย่างที่พวกเราว่าโอ้ยอะไรมันไม่เป็นหรอกเรามีพุทธศาสนานี่เออเรามีพุทธศาสนาอะไรชั้นมามันไม่เป็นหรอกต่างๆก็เข้าใจว่าเพราะพุทธศาสนาให้มีปาฏิหาริย์ในคุ้มครองเราทั้งโลก นะ ม, มันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนั้นพยายามอย่างนั้นนีไม่ใช่ว่าเอาทิ้งไว้เฉยๆให้ท่านมาคุ้มครองเราทั้งหมดก็ง่ายเกินไปแล้วเนี่นะนะนีะม่มันเป็นอย่างนั้นกลัวไหมไม่กลัวกลัวทไมเป็นก็นดีไม่เป็นก็นดีเหมือนกันนี่จะเป็นอะไรมันนะ อย่าไปคิดให้มันมากนะบางคนคิดคิดคิดมากเกยวกลัวคอมมนนิงจะเป็นบ้าเลยมามมาสู้มันจนตายอะไรท้อวุ่นวายคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มีดีอยู่ของมันแต่ว่าเช่นเช่นว่าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเราไปสอนพุทธศาสนาให้มันมองไม่เห็นนะคือมันไม่ได้พิจารณาความจริง ชิ้นอันหนึ่งมันยังมีชิ้นดีอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นอย่างนี้อย่างที่คนร้ายอย่างไยเขาทำมันก็บ่วนปั่นในโลกเนี่ยบางทีชิ้นดีมันก็มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นอี่างนีเพะเราเข้าใจอย่างอื่นอยู่มากๆอย่างนี้มั น, นมันเป็นสิ่งที่ปกปิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าในทางที่ถูกเราจะมาว่าก็อยู่เฉยๆสักอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลย ยกไถูมันไม่ได้มันถึงถึงข่าวมันเสื่อมอย่างเราเกิดมานะแต่เกิดมามันอยู่ในท้องแม่เห็นมแล้วออกมาท้องแม่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้ดีมันจะเดินขึ้นนะทั้งที่สุดมากกผมงอกรันดุกันได้ไหมเหรอ้าล้ปากปากกันมันได้ไหม อแต่ชอบอยังไงหรือเรื่องไม่ชอ บ, ชอบไม่ชอบแต่กันมันไม่ได้แน่จะทําไงมันเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเราต้องรับจะดีกว่ายอมรับเลยสภาพอย่างนี้ยอมรับว่าเราจะต้องแก่มันแก่แก่ในดีไหมดีถ้าไม่แก่เราไม่ตโวมาขนาดนี้หรอก <S <S มันจะเท่าว่าปั้นนี่อยู่ในท้องมันไม่เกิดมา แ, แตามันไม่แก่อันนี้มัน อำนาจของความแก่มันเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนาจาถึงปัจจุบันเราได้รู้อะไรท้ายอย่างมีความแก่มันจะมีเหตุผลของมันนะมันก็เจริญขึ้นมาทั้งที่สุดมันแทบถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมลงหมดไปเป็นธรรมดาของมันเรื่องโรคก็มันเป็นอย่างนั้นอืมอันนี้เรายอมรับไว้ก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนองไปในอดีตที่เราเคยทํามาแล้วอ่ะมันเป็นยังไง โลกเป็นอย่างนั้นพระอานอน์กับพระพุทธองค์เป็นคนขอทานกันวาวะไรไปเที่ยววิถาาีบาตรพระพา น, นุพระพุทธเจ้าของเราใครแล้วพวกวิชาทิทิมันไม่รู้เรื่องถึงมันก็เห็นว่า พระสมณะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากขอทานกินเท่า น, นั้นนะไม่เห็นมันเกิดประโยชน์อะไรเมื่อมันคิดเย่นนี้ก็บางทีพระพุทธองค์ไปบิณฑ บ, บ, บาตก็พาโออน น, นก็แกล้งพูดเย้ยยันต่างๆบางทีไล่มีไป พระพุทธองค์เรายิ่งมีปัญญาหลายพระอานน์ก็ยิ่ ง, งโง่โกรธเขาอายเขาพระพุทธองค์ก็ยึ่งไปในธรรมะว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้สองคนน่ะลูกศิษย์คิดอย่างหนึง่งอาจารย์คิดอย่างหนึง่งลูกศิษย์กาลังเริ่มงโง่ไปเรื่อยๆไป <c oughs> พอมันทน ต่อเสียงที่เขาว่าไม่ได้พระพุทธองค์วิ่งเหมือนว่ามันถูกลมมันยิ่งวิ่งเป็นไปมันยิ่งวิ่งเป็นไปพระอานนท์ตะวัดซ้ายตะวัดขวามันเหมือนว่ามันคานตรงไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแก่นยืนหน้าบ้านมิจฉ า, าทิฏฐิอุ่มาดเลยไอ้คนในบ้านมันก็ไล่ สมณะอะไรสมณะอย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรว่าคันไม่ให้ห น, นี่ไปเขาไร้พระอาโนนก็ยิ่งมืดยิ่งแค้นยิ่งโกรธยิ่งละอายพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเริ่มเกิดปัญญายิ่งสบายใจขึ้นวางคิดว่าง เรื่องในโลกนี่คือคนไม่รู้จักมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อืมพระอานุน์ไม่รู้เรื่องก็ยิ่งโง่พระพุทธองค์ท่านรู้เรื่องก็ยิ่งมีปัญญาก็เตือนพระอนุนว่าใหา้หนีไปฮะพระอานุน์เตือนทนว่าเขาไม่อะพระพุทธองค์ท่านตอบว่าอานุนจะไปที่ไหนเล่าไปทางโน้นต่อไปโน้นไปบ้านหน้าโ น, น้น ออโนนชาวบ้านข้างหน้าเนี่ยเขาว่าอย่างนี้อีกเราจะไปที่ไหนไปต่อไปอีกออกจากบ้านคนเนี่ยก็ยังไปถึงตำบลถ้าตำบล น, นั่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปตำบลหน้านู้นอีกพระพุทธองค์ก็ถามไปตำบลหน้าเขาว่าจะไปยังไงอี ก, ไป อ, อกไปอำเภออื่น พระพุทธ อ, องค์ท่านตอบว่าอำเภออื่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนอีกจะต้องไปในเมืองโน้นเมืองโน้นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปเมืองหน้าต่อไปไปจนหมดมันหมดที่ไปจะไปที่ไหนอนนรเงี้ยตรงนี้เขาก็ว่าตรงนั้นเขาก็ว่าจะไปที่ไหนพนกก้นนาทีโลเกออนันติโตคนไม่ถูกเงินทาไม่มีในโลกมันโลกที่เรา เดินไปท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ให้เขาว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเขาคนเป็นวิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนเป็นสมมาธิฏฐิมันก็ว่าของมันอย่างหนึ่งอืมนไม่มีที่ไปอานนท์ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ต้องชนะ ถ้าเราแพ้มันอยู่ในเมืองนี้ไปเมืองหน้ามันต้องแพ้เรืร่อยไปก็จะทำไงดีพ้านรนก็ตอบไปนะอันนี้ก็เือนกันกันั้นจะไปตรงไหนนะ่ะจะพนไม่ว่าจะเราไปบินธบารขอทานเนี่ยถ้าพูดทางโลกก็นะ่ะภรรยาเราแต่งงานมาแต่แพ้นะ ชอบกันรักกันทั้งพ่อทั้งแม่มันก็ยังมีคําที่ไม่ชอบอยู่ต่อมาจะให้เป็นไงอีกเล่ามันก็เป็นอย่างนี้เรื่องโลกอืโลกาวิทูถ้าเราไม่รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อไรเราก็อยู่ในโลกนี่ยากไม่มีที่อยู่จะไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้อืมปัญหาในโลกยังไม่เป็นอย่างนี้ จะไปที่ไหนไม่ให้คนว่าเราดีเราชั่วหน่ยไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อืพระพุทธองค์สอนพระอานนอืนเราเอานชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราชนะมันที่ตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ชนะไปที่ไหนมันก็ชนะทั้งโลกนี่มันก็ชนะทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า เตือนลูกสิตสิ่งที่มันชอบใจก็มีมาสิ่งที่ชอบใจก็มีมาในที่นั่นแหละไม่พูดถึงคนอื่นเลยเราคนเดียวบางทีก็ยังคิดไม่ถูกใจเราอีกบางทีคิดอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้คิดไม่ถูกใจเราอีกเลยไมยว่าคนอื่นทำไมเรานี่ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น อย่างนั้นต้องพยายามพิจารณาให้รู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะหนีคำเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ถ้าพระพุทธองค์ก็ถูกมาอย่างนั้นลูกสิกทั้งหลายก็ถูกมาอย่างนั้นถ้านั้นเราเริ่มพิจารณาใียว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้ความอดทนอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆค่อยๆสอนจิตเจ้าของ ที่เราเรียกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำไปแล้วค่อยๆปล่อยวางรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันก็อืสู้อารมณ์หน่อได้หักมันซะเลือกปัญญาเลือกปัญญาการคิดอย่างนี้การทําอย่างนี้เท่านั้นแหละจะไปห้ามเขาอย่าว่าให้ฉันเลยไม่ได้อยไปว่ า, ฉ, า, วาฉันเลยไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้น เพราฉนั้นอยู่อยู่ในอยู่ในโลกเนี่ยมันเรื่องของโลกถ้าเรารู้จักมั น, นก็เรียกว่ามันสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดีอ่าอ่ามันสอนให้เราพิจารณาทั้งนั้นมีธรรมะทั้งนั้ น, นอ่ะเราจะคิดยังไงไปไม่อยากให้เขาว่าให้เรามันเรื่องของใครของมันอ่ะอยากให้มันคิดอย่างนั้น แต่ว่าอยากให้คิดอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่คิดอย่างนั้นเราจะทำไงล่ะเออเราก็อยากให้มันคิดอย่างนั้นมันไม่คิดอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะเอออเราไม่อยากให้มันว่าอย่างนั้นมันว่าอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะไอคนนั่นก็ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดมันจะหยุดตรงไหนล่ะมันก็ไม่หยุดเท่านั้นแหละออมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสีย ใช่ไหมนี่เรื่องแก้ปัญหาถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเชียถ้าเราหยุดแล้วมันก็ไม่วิ่งไปแล้วมันมีปัจจัยที่จะวิ่งไปเมื่อเราไม่วิ่งไปตามมันก็หยุดเหมือนกันมันเขวกมาพิจารณาเรื่องของเราของเขาไปนี่คนมีปัญหาโอ้ันนี่เรามันผิดเนี่ยเขามันสบายเขาหยุดได้อย่างนี้สันหามันก็จบลงตรงนั้นน่ะ อันนี้ทุกวันนี่ก็เหมือนกันโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะอย่างนี้เขาทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วจะต้องคิจนาอย่างนั้นหนีด้วยปัญญาที่ไหนไม่ให้เขาว่าเราไม่มีมแล้วเราว่าเราทีหนึ่งก็เหมือนอามีดไปรับทีหนึ่ง เขาว่าเราบ่อยๆกเหมือนเรารับบีดอยู่บ่อยๆนะเมื่อรับบีดบ่อยๆมันก็คมบ่อยๆนะอย่างนี้เครื่องทั้งหลายที่เขาว่าดีด้วยชั่วมันเป็นคําสอนอย่างดีแต่เราไม่รับปิจารณาถ้าถูกใจเราเราก็ชอบถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นออโลกเขามันเป็นอย่างนั้น แคนั้นคนยังมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่คิดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเลยทุกข์บ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบา่อยทุกข์ทุกข์บ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบา่อยๆเมื่อมีปัญญาบา่อยๆเป็นต้นก็เกิดผลประโยชน์บ่อยๆอันนั้นก็ได้ว่าเป็นผลที่เราคิดที่ถูกต้องมันเป็นพราเราเจ็บได้กลับบ้านมันมันถึงเย็นหือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรานึกว่าจะไม่กลับละคงจะร้อนนะมึงยังนะยังในยังไม่พร้อมั น, นยังไม่พร้อมถ้าประธานยังไม่มาม <c oughs> จากกรุงเทพสวัสด <c oughs> อันนั้นเป็นลองประธานลักษณะเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าสูงกว่าประมาณประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรฮะอาอาจารย์กิจบิบุตรเป็นช่างอืมถ้าหากว่ามันไม่สวยท่านก็ไม่ยอมเอามาอมันโดยสัญญาไม่ใช่สัญญาด้วยตัวหนังสือหรอกสัญญาด้วยปากกัน อว่าเดินสิ้งหาละ่ะเนี่ยมันมันผ่านมาเดินสิ้งหามาแล้วสร้างพระองค์เนี้ยไม่มีสัญญาเงินหลาแสนนี่ไม่มีสัญญาท่านไม่ชอบทําสัญญาถ้าไม่ทําสัญญาจะทำไงดีเลย่ยอเงินสามสี่แสนเนี่ยอืจะให้คนทําพระไม่มีสัญญาไม่มีตัวหนังสือเลยโยมชาวบ้านก็ไม่ทํานีำ คนสมัยนี้มันก็ไม่ยอมอืมถ้าทําสัญญาก็เลยวอาจารย์จิตประวุฒิท่านว่าผมมาสร้างพระนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างอืไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้า ง, นนางถ้าจ้างผมเท่าไรผมก็ไม่เอาอันนี้ผมจะไ อ, อประกวดสีมือไว้ในวัดนี้อืมให้เป็นที่พอใจแต่นั้นหละอันนี้มากกว่า ทำอย่างนั้นก็จะทำยังไงอาตมาก็เลยบอกว่าเอ า, อานี่ซะเลยประชุมญาติโยมกันโยมเงินประมาณสี่แสนนี่นะเราจะสร้างพระประธานเนี่ยถ้าหากว่าโยมกับช่างพูดกันคงจะไม่ได้สร้างพระเพราะไม่ไว้ใจกันนี่เอ า, อานี่ดีกว่าถ้าจะได้สร้างมันต้องทําอย่างนี้ต้องเชื่ออาตมาจะถูกมีถูกกว่าทิ้งมันจะครั่งหนึ่งก็ได้เงินสี่แสนนี่ญาติโยมกันให้อาตมาจ้ะ อย่ามาเกี่ยวข้องเลยอัตมาจะไปโยนลงน้ำไกยมเฉยน อ, อัตมาจะไปเป็นเป็นพ่อค้าไปค้าขายไกยมเฉยซะว่าไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วมันเรื่องของอัตมาแล้วให้อัตมาละโยมให้มันหมดสิทธ์ซะอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดโดยโยมให้อยู่สบายเท่านั้นแหละแต่ว่าอัตมานั้นก่อตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพระได้พระมา แต่ถ้ามันเป็นพระมาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พระมากไปดีเหมือนกันไม่ให้มีใครเป็นอะไรกันทำนะถ้าทำอย่างเงี้ยแล้ก็ต้องยมทำกันไม่ต้องทำสัญญากันแล้วนะเอาความดีว่ากันเลยเอาศักดิ์ศรีว่ากันเลยเอาคุณธรรมที่เป็นมนุษย์นี่พูดกันเลยถ้าว่าอาจารย์เกีนะบบวบนั่นไม่เสียลายชีวิตแกไม่เสียดายหน้าที่ของแก มีเส้รายเกลียดตองแก่นั่นก็ดีแล้วเกิดมาในชาติหนึ่งจะเอานี่มาทิ้งที่นั่นก็ทิ้งไปซะอาตมาก็จะทิ้งเงินสี่แสนนี่ไม่อะไรเหมือนกันทจะไปตรงไหนก็ช่างมันินอย่างนี้พระองค์นี้จึงได้สร้างนะสร้างขึ้นมาแล้วนะสร้างกันมอเทที่หน้าวัดเอาห็นไม้บวงกลมลนะั่นเอามาเทตรงนี้คนเต็มมาดูเททองตรงนหน้าหิน อ, อนะันรอบนั่นๆะๆ่ พอเทเสร็จก็จะเอาขึ้นุถไปเลยอยากยกนี่เราเอาไปทำไมเอาเอาไปที่ไหนก็ช่างเขาเถอะเอาไปเถอะนะจะเอาไปตรงไหนนะ่ะเป็นยังไงก็เ ป, เป็นลองกันทีจะเป็นไงไหมเขาทําได้อย่างนั้นเราก็ทําได้เหมือนกันเราเสียสละแล้วเลยทำํำปรากฏว่าอ่าบอกว่าเดือนสิงหาจะเอาขึ้นมา <c oughs> ผ่านยังเดือนสิงหามาแล้วก็ยังไม่มาอีก โยมก็เล่งอาตมาอยู่เรื่อยทายกเหืยนเยนบ้าเย็นเยนไปมันจะหายไปตรงไหนมันหายเถอะอืมอย่าติดตัวมันเนยเรายอมเนี่ยสาระมันแล้วเขาเลยไปขัดไปขัดที่หนึ่งว่าจะดีแล้วก็ไม่ชอบใจขัดอีกครั้งที่สองก็ว่ามันจะดีแล้วยังไม่ชอบใจไม่จุใจก็สั่งทําอีกขัดถึงสามครั้งเลยนะสามครั้งเด็กก็สั่งบอกมาว่าไม่กล้าพูด ความจริงไปมากว่ะประเดียนหลงข้อเลยว่ะพระองค์นี้จะให้ก่อนปีใหม่ อ, อจะให้ก่อนปีใหม่ตอนแน่นอนเตว่าพูดมามันไม่แน่นอนหลายครั้งแลย้ยไม่กล้าจะพูดจก็ <c oughs> ชื่อดายนะใช่จันจิดว่าชื่อขนาดนั้นจะเอามาทิ้งวัตประูงิก็ทิ้งที่เ ง, งินสี่แสนก็ทิ้งสิใ น, นธรรมะมันจะมีราคาไหมธรรมะมันหาราคาไม่ได้ คำมาหาราคาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีราคานะมันหาราคาไม่ได้อย่างนี้ก็หลีกธรรมทีนี้ก็ <c oughs> ลูกนิมิตเอาไว้นั้นแล้วเขาปิดทองกันเหมือนน้ำ ม, มันไหลนะ่ะอัตมาได้ปิดนะเมื่อไปนอกอัตมาปิดนะเลิกกันอย่าทำกันอัตมาไม่อยู่แล้วมันยุ่ง เขาคงไม่ใครจะปิดกันแต่เขาก็ไม่ฟังทั้งมนกันเอาอะไรไปทิ้งกรโยนไปนั่นแหละอืไสมัยก่อนเขามาปิดทองกันอุ้ยมันไหลเนี่เหมือนกันน้ำคนนี่ก็ เ, เลยปิดพักไว้อาจารย์จิตบุญธรรมการทำของท่านอาตมาก็ชะรออยู่เดี๋ยนี่มันก็เดือดแต่ว่าจะเอาขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยเอาขึ้นมาถ้าก็นนา ม, าามาสร้างแท่นมาทำแท่านแท่นนั้นให้รวมราคากับองค์พระ ท่านก็เลยบอกว่าถ้ารวมราคากับองคพระก็ไม่ทำคือผมทำนี่ไม่ใช่เป็นลุกจ้างไม่ใช่เป็นจ้างกันจะให้ผมทำถวายนะผมทำดี <c oughs> ก็ดีทีเนาะ <c oughs> <c oughs> พูดอย่างนั้นมันก็ดีทีเนะ <c oughs> ออาะก็เอาอย่างนั้นนี่แต่ยัไม่จะทำอย่างดี ถ้าไม่เสี่ยงอย่างงั้นไม่เอาชีวิตมาทิ้งในศาสนาอย่างนี้หรอกเป็นพระนี่มันทิ้งหลายอย่างไหมนี่มันทิ้งหมดทุกอย่างนะนี่นะของในโลกนี่ทั้งนี้คนมันอยากถึงนั้นเน่ยมันสนุกสนานถึงนั้นนี่ยพระทิ้งมาก็ทิ้งหมดทุกอย่างแล้วทิ้งมาได้ยังไงนะถ้ามีทิ้งทุกอย่างก็มาไม่ได้แล้วจะมาได้ยังไงล่ะชีวิตของเราทิ้งแล้วเงินสามสี่ห้าแสนถ้าไม่ไม่ทิ้งไม่ได้มันของนอกกายเลย ให้ก็ให้ที่ทำก็ทำที่เด้๋ยพูดกันแล้วนี่อืมถ้าเขาพูดผิดเขาก็ผิดเท่านั้นเนี่ยเขาผิดเราถูกเขาเป็นคนทำผิดแล้วจะเดือดร้อนทำไมมันเดือดร้อนที่เราทำผิดน่ที่มันไม่ค่อยจะดีนี่น ะ, ะไอคนทำคนอื่นทำผิดเราเดือดร้อนทำไมคนเราไม่ชอบเป็นอย่างนั้นน่ะไอควรไอมันควรจะให้คนทำผิดเดือดร้อนเขาทำผิดเราเดือดร้อนนอี่มันโง่เต็มทีใมืองนี้นะเข้าใจไห ดูนะเป็นพ่อบ้านในบ้านเราดูนะคนอื่นทาผิดนะคนมันทุกข์คิดดีๆเนะี่ยเมื่อมันเป็นก็นมายถึงต้องพ่อท่านว่านะไอ้ใครทําผิดกับคนท่านเป็นทุกข์มันจะดีแต่มั้งไอ้เขาทํำผิดออกมาเป็นทุกขน์นี่มันอะไรมันโง่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเนีเป็นมาเป็นอย่างนั้นยังนั้นถึงท้าวคนเรามัน เรียนรู้มันข้ามนะไอ้ตรงนี้คนไม่รู้ตรงที่ว่าเขาทําผิดคนนี้เขาเป็นทุกข์เราจะเป็นไปทุกข์แทนเขาทําไมความรู้ตอนนี้นะ่ะหาเรียนยากเหมือนกันเนี่ยรียนยากไอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอืมใครทําผิดกับคนนั้นมันทุกข์เราไม่ทําผิดเราจะทุกข์ทำไมอะอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเข า, าจะทํามาให้ก็ว่ากันแล้วเขาไม่ทำมาให้เขาก็ผิดเราจะทุกข์ทำไม ก็เราไม่มีอะไรเอาก็เอาทีละไปทีไหนมื่ก่อนอย่างนั้นนี่ยนี่ดีกว่าทำการงานทุกอย่างนะอย่าเอาชนะคนอื่นเขาเลยเอาชนะตัวเองมันถึงชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นตัวเองก็ไม่ชนะใครๆก็ไม่ชนะถึงนั้นมันต้องชนะตัวเองคนอื่นก็ต้องชนะ อ, อันนี้คนก็เรียนข้ามเหมือนกันนะ โดยมากคนอยากเอาชนะคนอื่นนะฮะมันจึงทุกข์ยังไงล่ะมันไม่ชนะตัวเองมันจะสบายเมื่อไรล่ะไปเอาชนะคนอื่นเขาเนี่ยออืมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเออไม่มีอะไรอันนี้คนเดียนข้ามไปเดียนสูงๆหรือเดียนสูงเนี่ยมันข้ามมันไม่เดียนพอดีนี่ยมันได้ข้ามแล้วมันไม่ถูกสิ่งที่พอดีเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้ คนดีคนมันกันรวมเอาดีดีดีดีพอดีนะมันถึงดีนะดีเกินดีเนะี่ยมันมันลายนะเราต้องการดีดีทั้งนั้นนะ่ะมันลายอายุมันกันอยากได้ยืนยืนนานๆดีไหมเ <c oughs> <c oughs> ออให้อายุมั่นคงยืนอายุมั่นคงยืนอาจจะมาป่วยนะ ก็ให้หลว ง, งพ่ออายุเด็กถึงร้อยสองร้อยนี่อย่ามารู้ถูกพระเลยมาเชี่งพระทําไมเล่าเห็นคนแก่ๆไหมนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันนอนกินข้าวกันไม่ได้น่ะโยมชอบไหมอย่างนั้นทําไมจึงให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมจะเอามาั้ยมาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมาเช่ยงพระเท่านั้นแหละถ้าอยู่นานๆมันสบา ย, ยก็ดีสิ มันเดินไปได้มันก็ดีนี่อายุมากๆมันช่วยเจ้าของไม่ได้มันจะดียังไงล่ะแยกความรักพ่อแม่ลูกหลานแบพิธีพิธันประเดี๋ยวเดียวสปฏิวัตินะถ้าป่วย น, น, นานๆไปห้าปีหกปีจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นนี่แค่มีเท่านั้นเนาะ<อ>บางวันก็ดูมาข้าวมากินอ <laughs> ลองดูสิเนือ <laughs> <laughs> ลูกเราก็ที ดูเคยก็ดีดูกระพ่ายก็ดีมันจะรักเราขนาดไหนถ้ามันเกินพอดีแต่มันรักไม่ได้หรอมันทิ้งเห็นไหมไม่เห็นอืมทิ้งี่จคิดในใจเมื่อได้จะตายเนาะไม่มันลาบากดมคนเลือดคืคิดในใจบ่นอยู่ในใจภาวนาพ ร, ราุ่งนี้เราจะตายสว่างไว้แล้วก็ยังอยู่เนะนี่ยลบากเนาะนี่เขาใหญ่ไหม ยาวตามปรารถนาของเราเลยเราไร้แค่ไหยเอาแค่นั้นอย่าอยากยืนบางคนมันก็อยากมีความอายุมันยืนแต่มันใจดีนะ่ะถ้าโมโหมาเลยอยากตายวันนี้วันนี้วันนี้ใครจะทําตามใจของเราไา้นั้นล่ะอืมถ้าอยากยืนใจนี่เป็นหาต่ออายุหลายวัดเก้าวัดนู่นนะไปรถน้ํามูลอยากอย่ายืนนะบางทีมันไม่พอใจโมโหมตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ พวกนี้ผมเอาเดี๋ยวนี้บางทีก็เลยกินยาฆ่าแมลงตายยิ่งตัวตายเยอะแยะจะว่าเราคิดถูกยังไงเล่าอาจจะมาเอามันพอดีเถอะเราเกิดมาในชีวิตนี่คือของเขานี่ของเขาเปรียบหนึ่งมาเหมือนเราไปซื้อน้ําตาลในตลาดก็กิโลหนึ่งเท่าไหร่อ ย, อย่างเนี้ยกิโลหนึ่งยี่สิบบาทอย่างนี้เขาเก็ตักมาให้จัดไม่เอา ฉันจัด เ, เอาเงกันน่ะดีไม่เงินอืมใช่เราก็เป็นคนไปเอาเองเราก็เป็นคนซื่อน้าตาลเาท่านั้นแหละอืมไม่พอใจของเราอย่างนั้นก็ขเขาขายอย่างนั้นก็ให้เขา อ, อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเรื่องใช่นี่มันคิดพอดีลองรองดูริถ้าไม่สบายใจเมื่ อ, อไรมันเกินพอดีทั้งนั้นนะ บางทีมันก็น้อยไปบางทีมันก็มากไปถ้าพอดีแล้วมันพออักฉลอนพอมันค้นขึ้นมาเลยถ้าพอดีใช่ไหมยังเราทํางานเราขัดกระโถนขัดจานหนึ่งทาให้มันสะอาดเอาละพอแล้วสบายไหมล่ะถ้ามันสกปรกอยู่ยังไม่สะอาดมันยังไม่พอมันก็ยังไม่เสร็จก็ขัดแค่นั้นแหละเรียกว่าคนไม่พอถ้าคนพอแล้วสบายเอาล่ะ พอแล้วสบายไม่ห่วงแล้วนี่นี่คือคนพออย่างเงี้ยมันพอดีอ่เี้ยเคยคิดไหมอย่างนั้นไ <c oughs> <c oughs> อความรู้ของพระกรรมฐานมันไปอย่างนั้นมันไม่วิ่งขึ้นไปสูงหรอกก็ <c oughs> เราเหมือนกันอะพวกขตนศักดิ์เราก็เหมือนกันถ้าว่า เป็นเด็กก็ไม่สบายใจอือาศัยคนอื่นเพราะลำบา ก, กนิด น, น่ะบนลําบากโดยปรารถนาไปปรารถนาไปก่อนสกายไปวิ่งหาเส้นหาสายเนี่ยในใจเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ น, นึกว่าเออดีแล้วดีชั่วขณะมันได้มาเท่านั้นแหละนะคพราว่ามันจะหลน่นลงแล้วมันขึ้นสูงแล้วนี่ยระวังอีกแล้ว ถูกเราไปเกาะเขาก็ไม่สบายถ้าเราโตมาแล้วถูกเขาเกาะเราสิเอาสิเดี๋ยวดุสิตโทรหามาตรงนั้นแก้ให้ผมเลยนะ่ะมันไปทําผิดๆมามันมาให้เราแก้ทํายังไงละ่ะถ้าไม่แก้ให้ก็ลูกผิดเเออะจําเป็นกว่าเซ็นตูมเสียหายหมดก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นดุสิตนะนี่มันโตไอ้ความลําบากเหตุของความโตขึ้นมา อาจมาถึงว่าเอามันพอสมควรมันได้แค่นี้เอาแคนั้นสบายดีอืมให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันจะไม่โตกึ้นมันเลี้ยงตัวเด็กๆดน้ําทุกวันต้นดอกไม้มันจะตายก็ให้มันตายสักทีให้ปุ๋ยมันให้น้ํามันอยู่ทุกวันนี่เราไม่เราพยายามอยู่เนี่ยเอาแค่นั้นก็ดีแต่มันมันจะโตเองมันนะมั้งคนเรามันคิดไม่คิดไม่ถูก ไม่ไหวไงเอาดิเอาดิไยาไไยังไงไมเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยก็ขึ้นรถไฟกลับแล้วเนี่ยใครมีอะไรไหมเอาดิในมาพบกับพระแ่ะดีมันเป็นมงคลอ่ะอืมถ้าเราได้อารมณ์ดีไม่อตองอยู่หองปราสาทอยู่ลมไม่ก็สบายอะนั่งยืนตามยินตามยาเนี่ยก็สบายนะถ้าใจเดือดร้อนนีะ่ะให้นอนในผูกนิ่มๆ ม, มันร้อนอยู่ขง้งในมันกิ้งไปกิ่งมาเน่ยมันไม่สบายแล้ว นอกจากใจมันสบายเนี่ยคือ ไ, ไม่สบาย <c oughs> <c oughs> ยุ่งไหมนายโยมเกิดมาเป็นมนุษย์มันยุ่งไหมฮะยุ่งไหม <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แนหะโลกไปตรงไหนนะมันก็เป็นอย่างนี้นะสบายชัววินาทีณฑลโลกเป็นองนี้จะมาการังเทศให้ลูกจีดฟังด้วยการทำงานด้วยกันก็นกไม่คยสบาย อือยู่คนเดียวก็กลัวผีอยู่มากคนก็ทะเลาะกันจะไปตรงไหนมันจะสบายแล้วออออือืเอาดูสิไปคนเดียวสบายกลัวผีอีกแล้วแต่ยิ่มากคนก็ทะเลาะกันนั่นจะทํำยังไงไมันถึงจะถูกะ่ะออืมันไม่ถูกเราถ้าเราคิดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอยู่นอไอ้ออความสบายนี้่สิตรงไหนมันอยู่ที่ความถูกต้องเป็นสัจจธรรม อะไรสิ่งที่มันหายไปก็ให้มันเอาไม่ได้ก็ให้มันหายไปดิจะลองให้มันทำไมล่ะอืออืมอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เรามันจะเกิดขึ้นมาได้มันควรจะได้ก็ให้มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหายมันจะให้มันหายจะไปห้ามมันมากมายที่ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอืมเราต้องรับเรืรับธรรมะพระพุทธเจ้าเอื่อรับเหตุการณ์ทั้งหลายอย่าไปมีเหตุการณ์นี่ มันเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องรู้จักเหตุการณ์มันต้องรับอ น, นี่คนเราไมารับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมรับอไม่ยอมรับอัตมาเคยเห็นว่าไปเทศหน้าศพที่ไหนที่ไหนก็เทศไปฟังเรื่องอนิจจังถูกขังอาจารแม่แน่นอนโยมก็บอฟังฟังไปบ้งังง่วงนอนไปบังห้าวนอนไปบ้างอืมไม่ได้เข้าใจในธรรมะ อีกศพอื่นมาตายอีกร้องไห้อีกแล้วเพราะอะไรโทษไม่ฟังธรรมะไม่ยอมรับธรรมะถ้ายอมรับธรรมะแล้วตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันยังยอมรับธรรมะถ้ารู้จักแล้วก็เอาทีมเป็นไขรมนไปกินอยู่กินยากันสมควรแล้วอย่างไงอืมที่หายไปก็หายไปที่ตายไปก็ตายไปีเกิดมาก็เกิดมาทีก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้ายอมรับเหตุการณ์อย่างนั้นออืืมก็สบายกั่ไน นี่เราไม่ยอมรับธรรมะของท่านเอาแต่ใจเราท่าเดียวเท่า น, นั้นแหละอัตมาบอกว่าถ่าป่วยไปโรงพยาบาลต้องตั้งใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาสบายถ้าหายจะเอาไม่หายไม่เอาเราทุกข์เลยทุกข์ลองดู <c oughs> ลองให้เลยถ้า <c oughs> มันทุกข์องเห้ต้องตั้งใจ <c oughs> ต้องตั้งใจหายก็เอาไม่หายก็เอา แต่ว่ามันก็ต้องมันต้องไปเข้าข้างหายนั่นนะในใจมันนะ่ะข้างไม่หายมันก็ไม่เข้ารอแต่ว่ามันถูกนี่ไม่หายก็ต้องเอาสิหายก็ต้องเอาสิยอมรับทั้งสองอย่างเต็มบริบูรณ์เลยหายก็ดีไม่หายก็ดีสบายเราอยู่อย่างเก่าแล้วไม่มีความเจยย็บอะไรเลยไอ้คนเราไปเข้าข้างตัวใช่ไม่ยอมรับธรรมะกับพุทธเจ้าของเราเคยเห็นอย่างนั้น ญาติพี่น้องเคยเสียเคยหายไปของรักของชอบใจเคยเสียเคยหายไปพระประเทศเนี่ฟังอยู่ทุกเวลาเวลาอืมเมื่อมันหายไปร้องไห้เหมือนนั้นร้องไห้จะได้จะได้ดูนั้นะแต่ท่านประเทศที่ฟังอย่นั่นแหละเราก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นจะได้ทําไมไม่พิจารณากันร้องไห้ทาไมทําไมไม่ใจสบายคือไม่ยอมรับไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจรารณา คิดแต่ว่าอยากให้อยู่อย่างเดียวในอยากให้ปัตตินายโยมคนหนึ่งแม่ตายร้องให้อาตมาไปเห็นมาฟังกรรมโยมร้องให้ทาไมใช่นี่ของโยมไม่พอหรือแม่พอหรือไม่พอใจอะไรไหมท่นที่ยังเรามาถึงแต่เด็กๆหาเงินหาทองให้เราสร้างบ้านให้เราอย่างนี้ลาบากจำบู ท่านตายไปก็ยังร้องให้โยมไปเครียดไปแค้นอะไรก็พ่อแม่ของเราไม่พออะไรเมื่อนี่อยากจะเอามาใช่อีกเหรอหรือทำไงไม่อยากจใจมาช่วยหาเงินอีกดูดีๆเดี๋ยวร้องไห้ทำไมให้คิดอธตรม า, ามันพอแล้วยอมรับเแต่มันก็สบายถ้าถูกธรรมะแล้วมันสบายแต่โยมไม่มีอะไรแล้ว ต้องตเตรียมตัวไปเตนเน่นซะหน่อยหนึ่งภาว น, นาไว้ือ่ดงไงน่ะถึะงที่มรณะภาหรือว่าตายนี่ถ้าผมพูดว่าคนธรรมดาไม่มีไม่มีสติไปเลยนะคะยังไม่ถึงจุดที่จะหลับจิตเลยนะคะแกงข้อก็ออยูงได้เละคะ ที ấy, ่นี้สมมติตอนที่จะเป็นถึงยังไม่ดับจิตนี่ยะก็จิตใจก็ไปโผงถึงกรรมไม่ดีที่ทำเนี่เขาถึงเขาอกมาบอกว่าถ้าไอนั้นแล้วพอดับจิตไปแล้วก็ไปสู่อบายูุขมาถึงไหมคะนั่นแหละเกาะตรงนั้นไง ก็เ้ว่าคนคนนั้นไม่ได้เตรียมก็ไม่สามารถที่จะเตรียมใจได้อยู่ดีๆก็หมดสติไปเพราะว่าจิตมันนานแล้วแล้วก็ประดับจิตไปถ้าเสมมุติว่าในขณะนั้นเขาได่ถงอใจกรรมดีที่ทานะคะถ้ว่ายังไม่มีปัญหาที่จะาเอสมรติว่าเราจะไปรู้ได้ไงเขาได่ถือใจกรรมดีกรรมเชอถ้าคนหมดปัญหาแล้วมันจะมีสติทําไมมันจะไปเกาะอะไรล่ะไม่ค่ะดับจิตคือยังไม่ดับจิตแต่ว่าหมดหมดในสติมันต้องภาวงอยมมันหลงอ่ะมันหลงติดนะโยมมันติด มันต้องรู้ตลอดการมันปล่อยวางตลอดไม่หลงไม่ได้ออกจากร่างใช่ไม่ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นมันไม่ออกไปไหนหรอกโยมมันในตัวเป็นตนอย่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกยังไงอยู่เรารู้จากความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตัวนั่นน่ะมันยังอยู่ช่างจำทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งจำยังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะออะไรก็ช่างมั้น